พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่30โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2554มีชื่อเรื่องว่าศีลคือใจเขาใจเราอืวันนี้เป็นวัน อุโบสถของพวกเราเป็นวันเดือนสิบสองเพนวันนี้ตรงกับวันที่สิบพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพห้า้อยห้าสิบสี่เป็นวันร้อยกระทงเป็นวันอ น, นุสงพันษาออกพรรษามาเดือนหนึ่งวันนี้เป็นวันกรถิน่นหมดเขตกรถินนวันนี้เป็นวันหมดเขตกรถิน่นเดือนสิบสองเพน ตั้งแต่วันออกพรรษามาถึงวันนี้เป็นวันทอดกรถินแต่พอถึงบันนี้จะจบละหมเขตกรถินแล้วก็หมดเขตอั น, นิสงพ์พรรษาอ น, นิสงพ์พรรษาพระจําพรรษาออกพรรษาแล้วท่านให้เอาจีวรพื้นในพื้นหนึ่งปรจาจจกจีวรพื้นในพื้นหนึ่งได้แล้วก็ฉันปลำปละโภชนะได้ ไปโดยไม่ได้บอกลาได้เหมือนกับอ น, นิสงส์กระถิ่นนะั่ะเหมือนกันแต่เมื่อพวกเรารับกรถินแล้วได้การกระินแล้วอ น, นิสงฆ์นี่ก็ไปถึงเพนเดือนสี่ไปถึงปพนเดือนสี่ถึงิบหมดอ น, นิสงกรถินอั น, นิเพนสิบสองเพนนี่หมดเขตอ น, นิสงพันษานคะำว่าอ น, นิสงคํานี้พวก ศรัทธาญาติโยมแล้วใครๆก็เป็นเหมือนกับเป็นบุญเป็นกุศลเข้ามาทางด้านจิตใจแต่ตามจริงอานิสงส์พรษาก็ดีอานิสงส์กรถินก็ดีเป็ น, เ ป, นเป็นการยกเว้นวิันข้อใจ ข, ข้อหนึ่งคล้ายๆว่าละเว้นได้ะละเว้นได้ในพระวินัยข้อนี้แต่ถ้าหมดหมดเขต เดือนสิบสองเพนไปแล้วทําไม่ได้ปรับอบัตช่างว่าอธิสงพันษาถึงเพนเดือนสีก็ทําได้นขณะนี้ไปถึงเพนเดือนสีแต่ อ, อกแต่เคยเลยเพนเดือนสีไปแล้วทําไม่ได้ปรับอบัตทุกกฎเหมือนกับกฎหมายเขานะี่อย่างกฎหมายอเมริกาเนะี่ยเดีเราก็ไม่เคยเป็นอเมริกาหรอกเหมือนกับว่าเดือนนั้นไปถึงเดือนนั้นให้ล่าชัดได้เนี่ย แต่ถ้าเกินเดินนั้นไปแล้วผิดกฎหมายนะลักษณะอย่างนั้นอันนี้คืออันนี้สงของพระวินัยอันนี้สงพันษาหรืออันนี้สงกระถินก็นเลยลักษณะนั่นแหละคล้ายว่าเป็นการยกเว้นวินัยข้อใดข้อหนึ่งให้พวกเราศึกษาถ้าผมพูดไปก็อาจจะข้ามข้ามข้ามตอนหรือว่าอาจจะไม่ไมถูก พวกเราไปศึกษาดูอ น, นรภวนินัยมันมันอยู่ในตัวหนังสืออยู่แล้วเหมือนกับกฎหมายพวกเราต้องศึกษาอันนี้ผมบอกเป็นถึงแนวทางให้ฟังอันนี้สงฆ์กระถินอันนี้สงฆ์พรนษาอันนี้สงฆ์ที่เราจะบอกเราจะออกจากวัดโดยไม่บอกกล่าวไม่บอกลาใครก็ได้อันนี้ก็คืออ น, นุสง ก็คือการยกเว้นชั้นปรามพระโพชนะได้อย่างนั้น่ะให้แค่ว่าหยอดสรุปแล้วก็คือให้หยอดลงนะไม่ให้ให้แค่ว่าเป็นกรณีพิเศษในการยกเว้นจุดนี้นอันนี้คือพวินัยเพราะนั้นเรื่องพวินัยก็เหมือนกับกฎหมาย เพราะนั้นเวลาเราอยู่ด้วยกันบางครั้งเราก็ต้องยืดหยุ่นแต่ถ้าไม่ไม่ผิดต่อพระวินัยผิดต่อกฎระเบียบธรรมดาภายในวัดอันนี้เราก็ต้องรู้ก็ยืดหยุ่นกันบ้างแต่ว่าบ่อยไม่ได้ถ้าบ่อยแล้วจะเสียกฎระเบียบแต่ถ้าว่าพระวินัยไม่ได้ใครล่วงละเมิดวินัยไม่ได้ คือิดวินัยก็คือผิดวินยัยเพราะวินัยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของหัวหน้าและไม่ใช่ของพระองค์ใดองค์หนึ่งเป็นของพระพทุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัยให้พระสงฆ์ปฏิบัติอย่างไรพวกเราคนในานามคณะสงฆ์หรือพระสงฆ์ก้องปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพทุทธเจ้าให้อยู่ในกรอบของหลักทำวินยัยให้อยู่ในกรอบของพระวินยัย เหมือนกับพวกเราอยู่ในประเทศไทยพวกเราก็จะต้องรักษาปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยถ้าว่าพวกเราอยู่เมืองเมืองไหนเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆอันนี้เราอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยเราก็ต้องรักษาอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอย่าออกนอก ลู่นอกทางให้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างองคงตาที่ท่านพูดบอกว่าพวกเราถึงจะฉลาดเฉลียวฉลาดขนาดไหนก็ให้ฉลาดอยู่ในหลักพระธรรมวินัยถึงจะโง่อย่างไรก็ให้ยโง่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอย่าไปออกนอกลู่นอกทางถ้าฉลาดออก นอกจากหลักพระธรรมวินัยนั้นหน้าเคารพนับถือเลื่อมใสจะฉลาดแวกแนวไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยถึงจะฉลาดอย่งงางนั้นก็เฉลียวฉลาดขนาดไหนฉลาดปาดเปลืองขนาดไหนก็ตามก็ไม่น่าเคารพนับถือเลื่อมใสเพราะฉลาดแบวกแนวเพราะนั้นถึงจะโง่หรือฉลาดก็ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยให้พวกเราศึกษาเรื่องพระวินยัย พระวินัยมันมีกฎมีเกณฑ์อยู่ในตำรับตำราอยู่แล้วไม่ได้ไม่ใช่ของลึกลับไม่ใช่ของลึ ก, กอะไรพวกเราอ่านเหมือนกับอ่านกฎหมายนะรู้แต่เราไม่รู้ข้อไหนพอเป็นศัพท์บาลีแล้วพอพยายามถามครูบาอาจารย์ลุ่นพี่หรือว่าท่านผู้ทด่ผ่านการศึกษามาเราก็จะเข้าใจเพราะพระวินัยเนี่ย มันเป็นกฎระเบียบแล้วก็ศึกษาแล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะนั้นท่านครูบาอาจารย์กรรมฐานเนี่ยโดยมากท่านจะเน้นหนักเรื่องสมาธิกับปัญญาจะมากกว่าเรื่องศีลเนี่ยท่านไม่ค่อยได้สอนกันไม่ค่อยได้บอกกล่าวกันนี่แต่ผมเนี่ยนะพูดเรื่องศีลเนี่ยบ่อยมาก เ, เพราะว่าเห็นมูมเพื่อนบางองค์บวชเข้ามาใหม่ก็มีช้าใจ ไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับหลักพระธรรมที่ไหนดูดูแล้วก็เขินเขิ น, ข น, นงั ก, ง, กงักไม่รู้จักผมไปที่ไหนที่ก็ตามอ้าวพระเข้ามานะเขามาในงานกรถินนะเข้ามาบวชนะถ้ า, าว่าไม่เข้ามาในหัตถบาตไม่ได้มาเข้ามาสังฆ ก, กรรมให้ออกนอกจากหลักสีมาเห็นไหมเขตพระราชทานสีมาเนี่ยอันนั้นแหละคือ ให้พระสงฆทาอยู่ในเขตหลักสีมาเนี่ยให้เข้ามานั่งอยู่ในหัตถบัตถ้าอย่างนั้นให้ออกจากหลักปิสุงขามศรีมาอันนี้คือพ่ะวินัยนะพวกท่านทั้งหลายจะเงอะเงอกังลักไม่ได้นะต้องศึกษานะมันไม่ใช่โกฎของเรานะไม่ใช่โกฎของใครนะมันกฎของพระพุทธศาสนานะกฎของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะพวกท่านให้เรียนรู้นะให้ศึกษานะ นี่เมื่อเข้ามาก็ต้องเข้ามาอย่าไปหาคุยงกงงี้อยู่ได้ยังไงอันนี้หลวงพ่อไปที่ไหนหลงพ่อจะจะดึงเข้ามาสู่พิณัยเพราะสงฆ์มันต้องพิณัยถ้าเป็นฆราวาสไม่เป็นไรจะอยู่ยังไงก็ได้ถ้าว่าเป็นพระเนี่ยมันต้องเข้ามาอยู่ในกรอบจะต้องอยู่ในหลักเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องเข้ามาไปชมให้อยู่ด้วยกันอายุทหัตบาทหัตปาสั่งบวงแหงมือ อันนี้ก็คือพระสงฆ์เข้ามาในสังฆกรรมจะเป็นงานกระถินบวชนาคหรือ ว, ว่ามีการประชุมสำคัญการตัดสินคดีความต้องพร้อมวรหน้าสงหรือ ว, ว่าอภิธพพานพระออกจากอบัตชังคาทิเซตเราก็ต้องเข้ามาเข้ามาพร้อมกันหรือลงอโบสดลงโบสถจะไปนั่งอยู่ใต้ถุนข้างๆไม่ได้ ก็ อ, อยู่ในหลักวิสุงคามชิมาเนี่ยต้องขึ้นมาทำอย่างนั้นต้องออกให้ห่างห่างจากหลักวิสุงพระราชทานวิสุงคามชิมาอันนี้แหละคือพระวีไ น, นเมื่อพระสงฆ์เมื่อเราบวชเข้ามาแล้วต้องศึกษาเวีไ น, นของสงฆ์เวลาพระหรือครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ท่านผููท่านกล่าวพวกวเราก็ต้องฟังนี่แหละวันนี้เป็นวัน ลงโบโสดของพวกเราทบทวนเรื่องของศิลศิลและวินยัยมีองค์แสดงขึ้นนั่งแสดงพวกเราคนนั่งนั่งประนมมือฟังตั้งแต่อาบัตปาลชิกสีสังฆาทิเศษสิบสาอานิยตสองนิตกิจปาจิตีสสบปาจิตี9สิองปฏิเทจนยะสี่ สขยวัดเจดห้ารวมทั้งอธิกรณะสมถะเข้ารวมและเป็นสินสองยี่สบเจ็ดเนี่ยที่พวกเราฟังจบลงสักครู่นี้เป็นการทบทวนเรื่องสินและวินัยเนี่ยพระที่รักษาสินพระที่มีสินสินก็คือสินพวกเรารักษาสินสองยี่เจ็ดเอพวกเราจะรู้ได้ยังไงเพราะเป็นภาษาบาลีอันนี้พวกเรา ถ้าเป็นผู้สนใจใส่ใจในศีลและได้วินัยของตนก็ต้องอ่านในนวโกวาทหรือวินัยมุกเล่มหนึ่งหรือพระไตรปิฎกต้นบัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัยเรื่องอะไรเพื่ออะไรเมื่อไรท่านผู้ไหนเป็นผู้ละเมิดผู้ไหนเป็นผู้กระทาผิดในครั้งนั้นถ้าเราอ่านจะรู้ได้ในพระไตรปิฎกมันมีอยู่ถ้าอ่านอ่านย่อก็คือนวโกวาส เหรือวอ่านในพระปฏิโมกนี่ก็ได้หน้าหนึ่งอัดเป็นภาษาบาลีหน้าหนึ่งเขาก็แปลตรงกันแต่ละสิกขาบทอ่านตรงนี้ก็พอจะเข้าใจได้นี่แหละถ้าเราใจใจต้องศึกษาพราะสินของตนเองไม่ใช่ว่าเรามีศินสิบมีข้อมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ศินแปดมีอะไรบ้างก็ไม่รู้พระศินสองรอยยี่สิบเจ็ด มีอะไรบ้างก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าตัวเองมีสินสองร้อยี่สิบเจ็ดมีอะไรบ้างสองรอยิบเจ็ดขาถามก็ไม่รู้เพราะนั้นพวกเราต้องต้องศึกษาอย่างน้อยก็ให้ผ่านหูผ่านตาถ้าท่องได้ทั้งหมดก็ยิ่งดีท่องเหมือนกับเนี่ยท่องเหมือนกับนวักเหมือนกับพระปฏิโมกแต่ท่องเป็นภาษาไทยอ่านท่องเป็นนวกโกวัะ เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อแต่ผมท่องได้นะสมัยเป็นเนนผมท่องเลยตั้งแต่อุปส า, าสแปดอย่างจนถึงอธิกรณสรมะสองร้อยยี่สิบเจ็ดผมท่องได้จำได้ทั้งหมดเพราะนั้นเวลามีใครพูดขึ้นมาเกี่ยวกับวินยัยผมก็ยังเป็นมีพื้นฐานจากนั้นมผมก็ศึกษาเรื่อยๆศึกษาเรื่อย ต่อเติมเรื่อยๆแล้วก็อ่านเกี่ยวกับพระไตรปิฎกแต่และสิกขาบทเป็นมาอย่างไรเรื่องเกี่ยวกับ พ, พระวินัยของสงฆ์แล้วกับพระวินัยของพิกจุนีไอ้พิจุนีศีลสามร้อยกว่าแต่ว่าศีลพระพิกษุสองรอยี่สิบเจ็ดแต่พิกจุนีเนี่ยมากกว่านะศีลพระพิจุพิกจุนีมากกว่าศีลของพระนะนี่แหละอันนี้เราก็อ่าน ศึกษาไปเหมือนกันแต่บางข้อก็เหมือนกันบางข้อก็แปลกแตกต่างไปเหมือนกนอันนี่ก็คือพระวินัยของภิกษุณนะีอันนี้คือที่ยังไงก็ผู้ที่จะดํารงสงศาสนาเป็นพระอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่น่ะยาวนานควรจะควรจะศึกษานะเรื่องวินัยเรื่องศีลเรื่องวินัยสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจนะ ถ้ตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมก